แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าขย่ำขวัญบ้านผีสิงในซอยเปรี่ยวที่มืดสลัวมีเพียงแสงไฟตามข้างทางที่พอจะทําให้เห็นสิ่งรอบตัวอยู่บ้างและมีบ้านไม่กี่หลังที่อยู่ในซอยนี้ทําให้ผู้คนบางตานะักผมกับเพื่อนอีสองคนได้มาเช่าบ้านหลังหนึ่งกลางซอยอยู่เป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าๆราคาถูก เมื่อพวกผมได้เข้ามาอยู่ในวันแรกๆ ก, ก็ไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆจึงได้แต่จุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางมาขออาศัยอยู่เท่านั้นทุกคนต่างก็นอนหลับสบายดีไม่มีใครฝันร้ายหรือเจอสิ่งลี้ลับแต่ในสัปดาห์ต่อมาผมกับเพื่อนที่พักด้วยกันและเพื่อนในที่ทํางานรวมกันแล้วประมาณ8คนได้มาสังสรรค์นในช่วงสิ้นเดือนตามปกติในช่วงหัวค่ําโดยการตั้งวงดื่มเหล้าหน้าบ้านบนแคร่ไม้เก่าๆตัวเดียวพร้อมกับกับแกล้มจํานวนมาก ที่มีทั้งอาหารคาวขนมขบเคี้ยวการสังสรรค์เป็นไป อ, อย่างสนุกสนานทั้งร้องเพลงและพูดจา ก, กันเสียงดังขณะที่ทั้งซอยเงียบสงัดเนื่องจากบ้านแต่ละหลังห่างกันมากพอดื่มกันไปได้สักพักก็เริ่มดึกมากขึ้นเวลาน่าจะใกล้เที่ยงคืนอากาศเริ่มเย็นจากนั้นไม่นานพวกที่ดื่มจนเมาก็ห้อยหลับคา ว, วงเล่าไปกันหมดทุกคนยกเว้นผมที่เองกายลงไปบนแคร่เหมือนจะหลับแต่ก็ไม่หลับ เพราะไม่ได้ดื่มมากอย่างเพื่อนคนอื่นผมเลย ก, กะว่าจะลุกขึ้นมาเก็บจานอาหารเพราะถ้าเช้ามาคงขี้เกียจล้างแน่ๆแต่ขณะที่กำลังลุกขึ้นก็เห็นอะไรบางอย่างผิดปกติล้อมวงเล่าอยู่จำนวนหนึ่งเป็นเงาดำคล้ายกับคนลักษณะเบาลอยไม่มีน้ำหนักแต่เคลื่อนไหวได้ร่างกายของมันเป็นสีดำต่อตะโกเหมือนถูกเผาเปลกายล่อนจอนพร้อมจนเหลือแต่กระดูกเส้นผมไม่มี เล็บมือยาวราวกับคมมีพวกมันกำลังยื้อแย่งกินอาหารอย่างมูมามคล้ายกับอดอยากมาจากไหนผมไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรมันคือคนหรือไม่ใช่คนด้วยความกลัวและตกใจกับภาพที่เห็นคิดว่าตัวเองอาจจะเมาและตาพร่าจึงหลับตาและพยี่ตามองใหม่อีกครั้งก็ยังเห็นภาพนั้นอยู่ดีผมจึงพยายามปลุกเพื่อนที่นอนหลับอยู่ข้างๆก็ไม่ตื่นแต่สายตาก็มองไปยังสิ่งประหลาดนั้น ซึ่งมันก็ยังไม่ไปไหนยังยื้อแย่งกันกินอาหารอยู่แต่แล้วมีอยู่ตนหนึ่งที่มันชะงักการกินแล้วเหลือบมองมาที่ผมดวงตาของมันเป็นสีขาวหมดไม่มีตาดําหัวใจของผมหยุดเต้นไปชั่วขณะหน้าเริ่มชาไม่เห็นดวงตาอันประหลาผมจึงรีบล้มตัวลงนอนเบียดเพื่อนที่อยู่ข้างๆเพื่อแกล้งทําเป็นหลับแตงเหงือไหลและสั่นไปทั้งตัวจนเพื่อนรู้สึกและตื่นขึ้ น, นมาด้วยอาการหงุดหงิด พะมันเห็นผมนอนสันๆมันเลยมาเขย่าตัวถามว่าเป็นอะไรผมบอกผีผีมากินของมันเลยพูดขึ้นมาว่าผีที่ไหนกันมึงฝันหรือเปล่าจากนั้นผมเลยได้สติลุกขึ้นด้วยอาการที่ยังหวาดกลัวแล้วมองไปยังวงเล่าปรากฏไม่พบสิ่งใดเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้ผมต้องไปทำบุญหลายวัดเพื่ออุทิศให้กับผีพวกนี้ที่ผมเชื่อว่ามันคือผีเปรตที่อดอยากอาหารมานาน เพราะไม่มีใครทำบุญให้ประกอบกับตัวผมเองเป็นคนที่ชอบเห็นผีมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ไวที่จะเกิดความกลัวอยู่จากวันนั้นมาอีกประมาณสองสัปดาห์ผมก็เจอสิ่งประหลาดในบ้านหลังเก่านี้อีกซึ่งผมกับเพื่อนจะนอนคนละห้องกันในคืนหนึ่งที่ผมหลับไปแล้วเวลาประมาณตีสองมีมือใหญ่ๆสักสาแต่เย็นเฉียบมาจับที่ปลายเท้าด้านซ้าย ผมเป็นคนขี้งุดงิดก็เลยสะบัดทิ้งไปเพราะคิดว่าเป็นเพื่อนมาปลุกสักพักมือใหญ่ๆนั้นก็มาจับอีกครั้งคราวนี้ผมก็สะบัดออกอีกแต่มันยังไม่หยุดเพราะมันมาจับรายเท้าเป็นครั้งที่สามครั้งนี้ผมรู้สึกมโหเพราะ่วงนอนมากจึงลุกขึ้นทันทีคิดว่าจะด่าเพื่อนที่มารบกวนพอผมลุกขึ้นเท่านั้นเองแสงไฟสลัวๆนอกห้องที่เปิดไว้สาสองเข้ามาทําให้เห็นใบหน้าของหญิงคนหนึ่งประมาณวัยกลางคน ใส่ชุดขาวผมสีดำยาวประบาเลือดอาบตั้งแต่หัวลงมาใบหน้าปเปื้อนชุดขาวไปหมดดวงตาข้างซ้ายของเธอถลนออกมานอกเบ้ากลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วห้องผมอ้าปากค้างอยากที่จะด่าเพื่อนกลายเป็นช็อคพูดอะไรไม่ออกแต่เพียงไม่นานผีต้นนั้นก็ได้หายไปกับตาผมได้สติวิ่งออกไปเคาะห้องเพื่อนเพื่อขอนอนด้วยแล้วเล่าเรื่องราวที่เห็นผีให้เพื่อนฟัง แต่มันกลับไม่เชื่อบอกว่าผมคงฝันไปจากวันนั้นผมรู้สึกกลัวมากจนอยากจะย้ายออกไปแต่ผมก็ยังไม่มีเงินที่จะไปเช่าที่อื่นอยู่จึงต้องจำทนอยู่ที่นี่โดยขอนอนกับเพื่อนอีกห้องหนึ่งซึ่งผมก็อุ่นใจขึ้นมาว่าอย่าง น, น้อยก็นอนกับเพื่อนเตียงเดียวกันเหตุการณ์ก็ยังเป็นปกติมาโดยตลอดจนเมื่อสองอาทิตย์ต่อมาในวันพระใหญ่แสงจันทร์เต็มดวงสว่างจ้าสาสองเข้ามาน้าระเบียงทาให้ห้องที่มืดมิด กลับกลายเป็นสลัวคืนนั้นผมหลับสนิทไปตั้งแต่ห้าทุ่มพร้อมๆกับเพื่อนแต่แล้วเวลาประมาณตีสองอีกเช่นเคยเหมือนมีใครมาจาับเส้นผมเขียนเล่นไปมาจนผมต้องรู้สึกตัวตื่นตอนแรกก็คิดว่าเพื่อนนอนละเมอพยายามสะกิดให้เพื่อนตื่นแต่มันก็ไม่ยอมตื่นด้วยความเป็นห่วงผมจึงลุกเปิดไฟตรงหัวเตียงเพื่อดูว่าเพื่อนเป็นอะไรไปหรือเปล่าทันทีที่ผมลุกขึ้นและหันไปจะเปิดไฟ ปรากฏเห็นผีสาวตนนั้นมานั่งอยู่บนหัวเตียงเลือดอยังอาบใบหน้าชุดขาวยังเปือเ้อนด้วยเลือดเป็นทางยาวไปจนถึงหน้าขาดวงตาข้างซ้ายที่ถลนออกมานอกเบ้ากลับจ้องมองมาที่ผมอย่างไม่ลดละราวกับมีความโกรธแฝงอยู่แต่คราวนี้ความรู้สึกของผมกลับกลายเป็นความเกลียดปะปนกับความกลัวสุดขีดคิดว่าทําไมผีตั น, นี้จึงเที่ยวมาหลอกหลอนดีนักผมจึงพนมมือขึ้นและพูดเสียงดังว่าจะมาหลอกอะไรกูนักหนา กูขอสาดแช่งให้มึงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดให้มึงตกนรกอีผีบ้าจากนั้นไม่นานผีสาวก็หายวับไปกับตาเพื่อนผมงัวเงียขึ้นมาแล้วก็บ่นด่าว่าผมอีกว่าผมนอนละเมอขณะที่เพื่อนผมล้มตัวนอนลงไปอีกครั้งอย่างสบายแต่ตัวผมกลับนอนไม่ได้ทั้งคืนเพราะวาหวาดผวากลัวผีกลับมาแก้แค้นเช้าวันต่อมาด้วยความทิต ก, กังวลใจมากผมจึงได้นิมนต์พระมาพรมน้ำมนต์ทั่วบ้านและทาสังฆทาน ขออโหสิกรรมแกดวงวิญญาณ น, นั้นที่ได้ร่วมเกินด้วยคำพูดต่อมาก็ไม่พบผีสาวตนนั้นอีกเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าปริศนาบ้านผีสิงหลังนี้มีความเป็นมาอย่างไรเพราะผู้ให้เช่าก็ไม่ยอมปปิดปากพูดหรือแค่เพียงวิญญาณเหล่านี้อยากจะได้ส่วนบุญเท่านั้นจึงมาปรากฏให้เห็นหากเพื่อนๆชอบเรื่องผีๆของเราอย่าลืมแชร์ต่อความสยองขวัญให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับน่ากลัวหรือไม่ คอมเมนต์กันได้นะครับฝากติดตามพวกเราทีมงานแถวนี้ผีดุด้วยนะครับหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ